คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานคงจะจะทราบว่าวัดหลวงพ่อปีนี้พระจำพรรษากี่องค์ผู้ที่ยังไม่มาหลวงพ่อเขาเห็นหน้าหลายหลายคนอยู่ปีนี้พระจำพรรษาทั้งหมดสี่สิบสองรูปวัดของเราเนี่ยแต่วันนี้ลงมาลงมาชั้นสามสิบไม่มาชั้นสิบสองดชั้นสิบสององค์โดยมากพระวัดปา จะฉันไม่พร้อมกันแต่คณะศชาติญาติโยมลูกหลานคงจะแปลกใจเหมือนกันเอ้อดจริงหรือเปล่านะนะแต่ตามไม่จริงท่านอดจริงๆบางองค์ท่านอดจนตัวผอมท่านอดเพื่อภาวนาของท่านถ้าเราอดจริงมันก็ไม่เห็นหิวนะถามพวกทิด ท, ที่ศึกใหม่ไปนั่งก็ได้ถามถามดูก็ได้เอ้อดจริงหรือเปล่านะี่ ตามไม่จริงท่านอดท่านไม่มาฉันท่านก็อดไม่ฉันมีแต่ฉันน้ําปานะตอนบ่ายตามมีตามที่มันเกิดมันมีฉันยังไงน้งําตงน้ําตาลบางังปานะบางตอนบ่ายแต่บางองค์ก็ไม่ฉันเลยก็มีฮนะมันก็ไม่หิวเพราะหลวงพ่อว่าสาเหตุคงจะหลายๆอย่างอันหนึ่งคงจะเราอยู่ในห่างจากที่ชุมชนมัน อาหารกลิ่นอาหารไม่โชยมาให้ได้กลิ่นว่างั้นน้ำย่อยมันก็เลยไม่ออกแต่ถ้าว่าเราอยู่ในบ้านใกล้บ้านถ้าถูกกลิ่นอาหารเนี่ยความหิวมันก่อเพราะมันเคยทานเคยกินมาก่อนเนี่ยคงจากความหิวนั่นก็คงจะเข้ามาแต่นี่เราอยู่ในป่าอยู่ในสถานเงียบสงบมันไม่มีกลิ่นอาหารอะไรพุกพ่านวุ่นวาย แล้วก็พร้อมกันกับตัวเองก็คิดว่าจะอดอาหารตั้งใจว่าจะอดอาหารมันไม่ใส่ใจเรื่องอาหารเลยทีนี้หรือใส่ใจเรื่องภาวนาทีนีก่อนที่มันจะหิวได้ก็ต้องร่างกายของเราไปรับรู้รับทราบมันจึงหิวถ้าเราไม่ไปรับรู้รับทราบร่างกายใจทำใจให้สงบทำใจให้เป็นหนึ่งองนียร่างกายมันก็ไม่หิว แต่จนนั่น่ะจนออกมาสู่ร่างกายนั่นแหละมันจึงจะหิวอย่างพระท่านได้เข้านิโรธสมาบัติอย่างเนี้ยพระอรหันต์เตวิชโชสละพินโยปฏิสัมพิทัพปัตโตพระรหรันสามจาพวกเนี่ยโดยมากท่านจะเข้าสานสมาบัติคำว่าฌานสมาบัตินี่ท่านจะเข้าสู่นิพพาน เข้าสู่นิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่เหมือนกับคนเรานอนหลับลักษณะอย่างนั้นแหะแต่นี้พระองค์พระอรหรันท่านผู้มีฌานท่านทําได้ท่านจะไปหาทำเลที่เหมาะๆแล้วก็ท่านก็นั่งสมาธิของท่านแหละเข้าฌานข้าพเจ้าจะเข้าฌานสมาบัติเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่นี่ท่านก็จังจิตอธิษฐานเสร็จแล้วท่านก็เข้าสมาบัติของท่านเลยแตนี้ย เข้าสเสวยวิมุตติสุขขณะที่ยังท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็นั่งนิ่ ง, นงในตำราในพระไตรปิฎกท่านว่าในเมื่อท่านเข้าฌานสมาบัติอย่างนั้นถึงน้ำจะท่วมไฟจะไหมจะเป็นอะไรก็ตามร่างกายของท่านเนี่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ละคายผิวอ่นะพูดง่ายๆเพราะท่านตั้งจิตอธิษฐานมาแล้วไฟ ไฟเผาก็ไม่ไหม้น้ำท่วมก็ไม่เป็นไรจนกว่าท่านจะออกจากนิโรธจมาบัติออกมาแล้วท่านจึงออกมาในขณะที่ท่านเข้านิโรธจมาบัตดทั้นท่านเข้าไปสู่สเสวยวิมุตติสุขคือสุขในพระนิพพานเหมือนงั้นใช่สุขในพระนิพพานเจ็ดวันจากนั้นพอเสร็จแล้วก็ออกมาออกมาหิวแล้วนะทีนี้นะ พอใจเข้ามาสู่ร่างกายแล้วหิวแหละท่านนี่ยหิวก็หายแล้วงั้นเถะเมื่อท่านออกมาสู่ร่างกายแล้วท่านก็มองดูเออศรัทธาญาติโยมใครน้อจะทําบุญกับเราในวันนี้ถ้าว่าผู้ใดทําบุญกับเราในวันนี้อันธิสง์ของเขาจะปรารถนาสิ่งใดในมนุษย์สมบัตินี่คงได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาปรารถนาเป็นเศรษฐีเงินคําทรัพย์สมบัติจะสมหวัง ดังปรารถนาหรือจะปรารถนามรรคผลนิพพานเขาก็จะสมหวังดังปรารถนาอันนี้คือพระท่านออกพระอรหันต์ออกจากนิโรธสมาบัติจากนั้นท่านก็มองดูใครจะเป็นผู้มีศรัทธาโดยมากจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านในอดีตชาติที่เคยเป็นวงศานาญาตญาติมิตรสหายของท่านเก่าแก่มีศรัทธาพอเห็นท่านแล้วก็เกิดศรัทธาแล้วก็ทําบุญกับท่าน โดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคือสรุปแล้วก็คือร่างกายกับใจนี่อาศัยกันอยู่แต่ว่าเมื่อเมื่อจิตใจออกจากร่างไปแล้วไม่ได้ใส่ใจร่างกายอย่างพระอดอาหารเนี่ยท่านภาวนาของท่านท่านไม่ได้ใส่ใจเรื่องร่างกายของท่านร่างกายของท่านมันก็หิวอยู่แต่มันก็พออดเพราะเหตุไรเพราะท่านไม่ได้ใส่ใจมันเพราะท่านจะอดเนี่ยนี่แหละมันอยู่กับใจทั้งหมดสรุปแล้ว ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจมโนปุพังขมาธรรมามโนเสรษฐามโนมายาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เพราะนั้นเวลาท่านอดอาหารท่านภาวนาของท่านท่านหิวไหมพอออกมาท่านก็หิวแต่หลวงพ่อว่าในวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็แนะนํานะแนะนําพระที่เข้ามาบวชใหม่บวชสามเดือนก็ดีบวชปีก็ดีขนาดบวชเจ็วันหลวงพ่อยังแนะนำนะ อดอาหารดูนะลูกหลานนะอดอาหารสักวันสองวันดูเพื่อความอดทนเพราะโลกนี่ที่เราอยู่อาศัยเนี่ยมันต้องขุกคลักนะบางครั้งบางทีเราขับรถขับปลาหรือทำการงานบริษัทห้างร้านราชการงานเมืองไหนก็ตามบางทีเราอาจจะไม่ได้ทานอาหารตอนเที่ยงหรือทานอาหารตอนเย็นอย่างนี้ผิดเวลาบ้าง ถ้าเราไม่เคยอดเลยนี่ใจของเรามันจะร้อนนะโมโหโท่โศโกธาเห็นอะไรมันขวางไปหมดนะเพราะมันหิวข้าวนะแต่ถ้าเราเคยอดแล้วนะ่ะสมัยเราบวชอดเป็นวันน่ะหรืออดทั้งสองวันสามวันน่ะไม่เห็นเป็นไรบ่ะอดเพียงเวลาเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหานะ่ะคล้ายๆว่าความอดทนตอนนั้นจะใช้ในชีวิตของตนเองได้นานเท่านานทีเดียว แต่ถ้าเราไม่เคยอดเฉยเลยเนี่ยมันหิวอาหารขึ้นมาแล้วมันขาดความอดทนนะอย่างที่กล่องข้าวน้อยข้าแม่ตายที่จะโสธรเนี่ยเป็นนิทานมากันนี่แหละสรุปแล้วก็คือความขาดความอดทนนี่แหละเพราะฉะนั้นการอดอาหาร เ, เป็นผลดีตลอดไประยะยาวนะลูกหลานนะบวชเข้ามาทั้งทีเราก็มีธรรมโภนาเราก็ไม่ได้ทําการงานอะไรทดลองอดดูนะอ่อันนี้ก็คือเป็นการแนะนําแต่หลวงพ่อไม่ได้บังคับนะ ไม่ได้บังคับไม่ได้ขอร้องเหมือนนเพียงแต่บัดเน้นําทดลองดูนะอดอาหารเพื่อความอด ท, ทนของเรานะเนี่ยพระแทนอะไรอดอาหารเพราะนั้นศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานเอ๊ะทาไมหลวงพ่อยังแนะนําให้พระอดอาหารไม่ทานอาหารถ้าใครเคยบวชเป็นทิศเป็นจานมาก่อนเคยได้เรียนมโหงมาหาเลยว่าเรียนในพุทธประวัติมาก่อนก็ว่าทําไมพระกรรมาฐาน บำเพ็ญอัตกิลมัถฐานุโยกทรมานกายให้ลําบากเปล่าอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปบำเพ็ญอยู่ในป่าถึง6ปีเนี่ยอดพกยกายหันถึงสี่สวันพระพุทธเจ้าอดเปล่าเป็นอัตกิลมัถฐานุโยกทําทรมานกายให้ลําบากการมาสุขันลิกาคือไม่บำเพ็ญเลยอยู่ตามลําพังอยู่กินตามลําพังคิดตามลําพังปล่อยตามลําพัง อันนี้ว่าการมัสุขันลิกามัชชิมาปฏิปทาคือทางเดินทางสายกลางไม่ตึงนักไม่ย้อนนักอันนี้คือมัตชิมาปฏิปทาโดยมากพวกทิฏจันท์ทั้งหลายที่เคยบวชจะเอาคำนี้มาถกเถียงต่นี้ผู้ปฏิบัติกับตําราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไปด้วยกันเหมือนกันนะคือตําราคือมัตชิมาเนะี่ยคืออะไรถามด้วยซิมัชชิมาของ ที่เราว่านะันคืออะไรนะการมัชฉุขันในการนะั้นคืออะไรนะทรมานกลายให้ลำบากมัชฉุมานะันคืออะไรการทำมาค้าขายขนาดไหนจริงจะพอเหมาะว่าพอเหมาะในการทำมาค้าขายจึงจะรวยจะทำยังไงปล่อยป่าละเลยยังไงจึงไม่รวยสิ่งเหล่านี้มันก็มันอยู่กับแต่ละบุคคลเหมือนกันแต่บางคนก็ต้อง การทำมาค้าขายก็ต้องเข้มงวดกวดขันพอสมควรจึงจะมีเงินมีคำร่ำรวยขึ้นมาได้แต่บางคนก็ทําแบบกลางๆสบายๆก็ได้แต่บางคนเนี่ยมันต้องเข้มนะอันนี้ก็เหมือนกันน่การประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราพระที่มาฝึกฝนฝึ ก, ฝ ก, กหัดดัดนดิสัยของตัวเองเนี่ยบางทีก็ต้องอดบ้างอิ่มบ้างหิวบ้างทดลองดูว่า อันไหนมันถูกกับจริตของตนเองแต่บางคนกินนอนธรรมดาเนี่ยครับมีแต่ลับมีแต่นอนทั้งวันเพเผออย่างคิดออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางถึงบ้านถึงเรือนถึงใครตรงใครเยอะแยะไปหมดนะพอเห็นแล้วเพราะมันปล่อยจิตปล่อยใจมันต่ําเกินไปนกามาสุขันลิกาถึงเผลอๆมัชฌิมาปฏิปทาตัวเองมาทําสายกลางเดินยังโกงกัพ่อยาะเหยาะแยแย่นั่งพอนากับพ่อสมบานตัวไม่ได้อย่างนั้น แล้วจะจิตใจมันจะโดดเด่นได้ยังไงถ้าจะทำขึ้นเกินไปก็กลัวมันจะเป็นกรรมมัศขันลิกาอัตตะกิลมัานโยกมันเป็นการเกินไปจุดนี้แหละเราต้องหาผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องหาหาจุดนี้บางทีอัตตะกิลมัฏฐานคนหนึ่งอาจจะถูกกับเจริตของเราที่เราเนี่ยมันหยาบเราเนี่ยมัน มันออกนอกลู่นอกทางเกินไปเราต้องขันเข้าฉนะว่างานแหละเหมือนกับช้างแหละแต่ช้างมันดีๆเอาไปทําการทํางานมาทําดีๆทํางานได้มันก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อช้างตกมันแหละท่นี้ยช้างตกมันแล้วทํำยังไงเพราะมันกินตามอําเภอใจนอนตามอําเภอใจอาหารสมบูรณ์จนเกินไปก็ไม่ดีอีกเนี่ยมันตกมันมันไม่รู้จักกระทัำเจ้าของถือมันจะฆ่าเจ้าของให้ได้ใครเข้าไปมันฆ่าหมด เพราะช้างตกมันอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นะการภาวนาของพวกพระที่อยู่ป่าดงพงพยกับลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือหลวงพ่อได้บอกกล่าวให้คณะทาย า, า, าติโยมหรือพระได้ฟังได้ศึกษาเพราะการประพฤติปฏิบัตินั้นมันไม่ใช่ว่าจะทำแบบตามอำเภอใจตามมัทาใจของตัวเองฮะมันต้องฝึกหัดดัดนิดสัยสิ่งไหนที่มันอยากคิดไม่คิด อยากพูดไม่พูดอยากทําไม่ทํานี่แหละจึงจะเป็นพระกรรมฐานที่เป็นพระอยู่ในป่าดงพงไฟได้ถ้าคิดอะไรก็เค้ตตามอําเภอใจอยากจะพูดอะไรก็พูดคุยตามมําเพลใจอยากจะทําอะไรทําตามมําเภลใจเป็นพระอยู่ในเกาะรักธรรมวินัยไม่ได้ถ้าพระอย่างนั้นถ้าพระที่ท่านอยู่ในเกาะรักพระธรรมวินัยแล้วอยากคิดไม่คิดนะขนาดห้ามกระทั่งความคิดของตัวเอง มันคิดเนี่ยมันมีเหตุผลไหมมันออกนอกลู่นอกทางไหมการคิดอย่างนี้ยแล้วก็การพูดอีกเหมือนกันแต่พูดอย่างนี้มันเป็นยังไงไปในหลักเหตุผลไหมไปในหลักธรรมวินัยไหมอยากพูดก็ไม่พูดทํำไมใช่หลักธรรมวินัยแล้วอยากจะทําก็เหมือนกันถ้ามันผิดศีลผิดธรรมแล้วอยากจะทําก็ไม่ทำเพราะมันผิดธรรมวินยัยมันไม่ไปตามธรรมไม่ไปตามหลักเหตุผลมันเบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ทำนี่แหละ ผู้ที่จะเป็นพระได้เป็นพระโดยเฉพาะออย่างยิ่งพระกรรมฐานเนี่ยท่านดัดถึงขนา ด, นนดท่านคิดทำพูดวันนี้เป็นวันลูกหลานมาทําบุญอุทิศส่วนกุศล น, น, น้าวันนี้ก็มีเมื่อวานวันก่อนก็นกมีการประชุมเพลิงและเผาศพกันคนตายวันนี้ญาติพี่น้องก็ได้มาทําบุญแลวก็พร้อมกันเมื่อพระสงค์อนุมณ์นาให้พรแล้วก็ อนุโมทนาให้พรพวกเราอุทิศส่วนกุศลนอนะไม่ต้องกล่าวคำถวายหรอกถวายในใจก็พอแล้วละ่ะนะพวกเรามาทำบุญคราวนี้ในครั้งนี้เราจะทำบุญให้แก่ใครเราทำบุญให้นางนั้นนามสกุล น, นั้นทั้งสามีทั้งลูกทั้งหลานทั้งวงศาคณาญาติเราอยู่ในใจของเราหมดแล้วที่เราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ใคร เพราะนั้นเราก็น้อมนึกขณะที่พระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรพวกเราก็น้อมนึกเออยายเนอคุณแม่เนอแม่บ้านเนอผู้ค้าได้มาทำบุญวันนี้ได้ถวายพัฒฐานพระสงฆ์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมของใช้เพื่อไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยบุญกุศลที่พวกลูกหลานญาติพี่น้องในทํามาทำบุญในวันนี้ขอให้ยายปรารถนาสิ่งใดขอขอให้สมหวังดังปรารถนาของยายเนอ พวกลูกหลานได้มาทำบุญในวันนี้อันนี้ก็คือเราถวายในใจนะถวายในใจเราไม่ต้องกล่าวาว่าอิมานี้อีมา น, มานี้อีมันไม่มานีหลวงปู่ล่าท่านว่านะแต่ถึงจะพูดยังไงก็ตามถ้าว่าใจของเราไม่ใส่ใจไม่เชื่อและไม่ใส่ใจการพูดนั้นกับพูดไปอย่างนั้น่ะเหมือนกับนกนกแก้วนกขุนทองพูดอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าเราพูดด้วยความจริงใจและใส่ใจ เอาภาษาใจของต น, ตนเองออกมาพูดอันนั้นเลิอดประเสริฐกว่าเพราะนั้นพวกเราให้เข้าใจนะไม่ใช่ว่าไม่กล่าวคาถวายแล้วไม่ได้บุญไม่ใช่ถึงจะ ก, กล่าวก็เถอะแต่ใจของเรานุ่นออกนอกลูก่นอกทางอยู่โลกพระจันทร์พระทิดพระจันทร์ที่ไหนก็งไมร่รู้ปากก็ว่าไปเรื่อยใจลอยไปเรื่อยนะอันนั้นไม่ถูกต้องอันนี้เราใช้ภาษาใจเราใช้ภาษ า, าใจเราก็ทาด้วยเราก็ได้ทาทานด้วย เพื่อบูชาไวในพระพุทธศาสนาเมื่อเราทำฐานเข้ามาแล้วไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสมบัติกลางเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้ทำแล้วะเราก็น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลแต่ถ้าหาว่าท่านผู้นั้นที่ผู้ตายไปนะ่นะไม่ใช่วิสัยที่จะมารับได้ก็ามาไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้พวกเราให้ศึกษาเอาไว้อย่างพอตายปุบ๊บเขาทาบาปกรรมหนักทาบาปกรรมหนักยางว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ อ น, นันตริยกรรมห้าเนี่ยพูดอย่างสุดๆนะพอตายปุ๊บบาปกลัมตอนนั้นดึงกระชากลงไปสู่อเวจีมหานรากเลยคนนั้นจะไม่ได้มารับสนบุญส่วนกุศลถ้าว่าท่านผู้ใดอย่างนี้บำเพ็ญภาวนานั่งภาวนาจิตสงบเป็นหนึ่งอยู่ในฌานสมาบัติขณะที่ใจขาดปุ๊บตายปุ๊บในขณะนั้นเขาก็ไปเกิดเป็นพรหม เขาก็ไม่มารับส่วนบุญส่วนกุศลอีกเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยจิบจ่อยแล้วเกินเหมือนกันอ่ะเนีบางทีเขาไปสู่สวรรค์บางทีเขาก็ไปสู่มนุษย์หรือไปสัตว์ตีระฉานอย่างเนี้ยพอตายปุ๊บไปเข้าท้องสัตว์ตัวเมียตัวไหนก็ไม่รู้แต่แม่ตัวไหนก็ไม่รู้พอเข้าไปในท้องแล้วฟิญญาณตองนั้นก็ไปเกาะ อ, อยู่ที่นั่นก็ไม่มารับส่วนบุญส่วนกุศลอีกเพราะไม่ไม่ใช่วิสัยวิสัยที่จะมารับได้คือเปรต เปรตอสุรกายเปตตวิสัยคือเป็นพวกบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากพอตายไปแล้วท่นี้จิตใจเลื่อนลอยเลื่อนลอยอยู่คล้ายๆว่าไม่รู้จะไปทางไหนคล้ายๆว่าเงินในกระเป๋าก็น้อยถ้าจะไปเมืองอุดรก็มีเงินอยู่สี่ห้าบาทอย่างเนี้ยจะไปถึงไหนก็เลยจะได้ในในก็คอยญาติก่อนถือเผื่อญาติเขาทำบุญให้ก็คงจะได้เงินเพิ่มเติมในกระเป๋าเราจะได้เดินทางไกลต่อไปอีกได้ แต่ถ้าหาว่าเราไปอย่างนี้คงไปไม่ได้หรอกวิญญาณมันก็คิดอย่างนั้นทถนี่จะไปเกิดก็ไปไม่ได้จะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้มรรคเกิดเป็นมนุษย์ไปไม่ได้แต่จะว่าไปตกเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานก็ไม่มีบาปกรรมที่จะไปเป็นสัตว์ที่ไร้ฉันเพราะบุญบุญยังมีอยู่แต่ตกนรกก็ไม่ถึงจะไปตกนรกได้เพราะบุญกุศลยังมีอยู่ยังค้ำไว้อ ย, อยู่อันนี้เร็วกว่าวิญญาณที่เลื่อนลอยท่านยะว่าจัดว่าเป็นเปรต อสุรกายเปตรตวิสัยพวกนี้ได้รับนะพอเราทําำบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างวันนี้ลนะฟิน ญ, ญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะ่ะมารับส่วนบุญส่วนกุศลนะ่ะดวงวิญญาณเหล่านี้จะมารับบุญกุศลจากพวกเราทัานทีจากนั้นก็ได้เงินใส่กระเป๋าแล้วไปเลยทีจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปเกิดเป็นเทวดาพบภูมิไหนก็ไปได้ทีเพราะว่า พวกเราทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ควรจะประมาทไม่ใช่ว่าเราตายซะก่อนจึงจะให้คนอื่นทาบุญให้ถ้าเผื่อเราทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ไปตกไปอย่างที่ว่านะี่นะก็สุดขอบไปอีกบุญกุศลก็เข้าไม่ถึงเราถ้าเราไปสู่สวรรค์ชั้นผมเออนั้นค่อยอยังชั่วนะ แต่บางคนน่อย่างที่ในพระไตรปิฎกท่านยืนยันว่าเทวดาเมื่อไปเกิดไปเป็นเทวดาอย่างชั้นจาตุมนีนยชั้นต่ำเมื่อกันอ่ะขนาดเทวดาชั้นต่ำเนี่ยร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตุนี่ถ้าว่าคนที่ตายไปปุ๊บไปอยู่สวรรค์ฮะยังไปทักทายกับหมู่ญาติเมือกน ญาติใหม่ว่างั้นโอ้มาจากไหนทําอะไรจึงได้มาที่นี่กําลังทักทายอยู่เพียงแค่นั้นแหละมนุษย์อยู่ทางหลังไหนตายไม่รู้ว่ากี่คนตัว ก, กี่คนแล้วว่างั้นเพศหลไรเพราะว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งในสวรรค์ร้อยปีในในเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตูมแล้วก็ไล่ขึ้นไปร้อยปีในชั้นจาตูมเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของชั้นดาวดึง อย่างนั้นแหละยามาตุสิตาไล่ขึ้นไปเรื่อยเหมือนกันท่านฉะนั้นถ้าว่าท่านขึ้นไปอยู่ชั้นสูงนั่นเลยท่านกําลังทักทายกับหมู่ญาติอยู่ทางนี้ตายไม่รู้กี่คนแล้วงั้นกลับมามองมาโอ้ตายไปหมดแล้วไปที่ไหนหมดว่าพวกนั้นว่ะเพราะนั้นเทวดาจึงไม่ได้ค่อยได้ลงมาและอีกอย่างหนึ่งเทวดาท่านก็ไม่อยากจะมองดูมนุษย์อีกเยพระมหาพระกุ ม, มารและกัจจปะท่านเปรียบเทียบให้ พระเจ้าครองเมืองหอนึ่งฟังนะทําทำไมเทวดาไปแล้วทั้งที่ข้าพเจ้าบอกว่าลงุงพ่อแม่ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านต้องได้ไปสวรรค์แน่ๆในความเห็นของข้าพเจ้าเพราะท่านอยู่ในศีลในธรรมจริงๆในเมื่อท่านตายไปแล้วนั้นให้กลับมาบอกข้าพเจ้าด้วยนะเพราะว่าข้าพเจ้าเนะี่ยยากจะรู้เหลือเกินว่าชาติหน้านี่มีจริงหรือไม่ เพานั้นท่านไปแล้วให้กลับมาบอกเราหรือยังไงยังไงจะไปที่ไหนก็ให้กลับมาบอกเราซะก่อนพระเจ้าแผ่นดินเมืองนั้นสั่งคนที่ที่จะตายเพาะงั้นที่เขาทำคุณงามความดีก็ไม่เห็นมาบอกและทีนี้ก็สั่งคนอีกวันีนี่งนักโทษที่โทษประหารแต่กแกนี่โทษประหารแล้วนะเพราะทำโทษหนักแต่ถึงยังไงยังไงก็ข้าเนะี่ยอยากจะรู้ว่าพบหน้าชาติหน้าได้มีจริงไหม ถ้าแกไปเห็นนรกแล้วไปเห็นอะไรขึ้นมาถ้าเห็นแล้วรีบมาบอกเราก่อนนะอย่าค่อยไปอีกก็ได้เพราะฉะนั้นให้มาบอกเราก่อนก็ไม่เห็นใครมาบอกเลยอันนี้ก็คือพระเจ้าแผ่นดินถามพระกุ ม, มารลกัจสปะเ่านั้นไหลพระกุ ม, มารลกัจสปะท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังที่ไท่านบอกอคนที่ไปสวรรค์นั่นนะมนุษย์นี่ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับหลุมมูดหลุมคูดคือหลุมฐานหลุมส้วมเท่านั้นแหะ ที่นี้มันนอนอยู่ในเปิ่อนเปิดเลอะเทอะไปหมดเดี๋ยวนี้มีตั้งกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงอยู่ในเมืองมนุษย์นี่มันเต็มไปหมดตอนนี้พอบุญกุศลของท่านให้ผลไปสู่สวรรค์พอไปสู่สวรรค์นเนี่ยเหมือนกับอาบน้าตกแต่งร่างกายสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างสะอาดปราณีตหมดพอเป็นเทพ แล้วคนคนนั้นเขาจะมาเขาจะมามุดมามาอยู่ในหลุมส้วมมาถามว่าข้านเนไปเป็นเทวดาแล้วนะอย่างนี้เขาจะมาไหมพระราชานั้นก็บอกโอ้คงไม่มาเพราะว่าเขาเขาปลานิตรนี่เขาจะมามุดอยู่ในหลุมส้วมอีกมาบอกกล่าวให้แก่พวกหนอนฟังนี่เขาคงไม่ทําเออนี่แหละอย่างนั้นแหละลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วคนที่ว่า ถึงโทษประหารเนี่ยก็ไปบอกเขาว่าแกต้องมาบอกข้าก่อนนะจะไปที่ไหนพระกุมารและกัจจปะท่านก็บอกว่าคนที่ทำกล้มชั่วนั่นะพอตายปุบ๊บวิญญาณหลุดออกจากร่างเท่า น, นั้นไะกล้มของเขาเหมือนกับทหารตำรวจจับพบผูกมัดเลยว่าือนกนเอาไปลงโทษเดียวนั้นเลยเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับมาบอกกล่าวให้แกพระ อ, องค์ได้ฟังหรอก เาบาปกรรมของเขาให้ผลอย่างนั้นนี้แหละที่ท่านเปรียบเทียบให้ฟังจะได้มาพูดเกี่ยวกับการทําบุญอุทิศส่วนกุศลมันอุทิศส่วนกุศลให้แก่พวกเปตรตาญาติทั้งหลายที่พวกเราได้ทําอย่างวันนี้ล่ลูกหลานได้ทําแต่โยมผู้ที่มรณะภาพไปเขาไปตกนรกเขาก็ไม่ได้รับเขาไปสู่สวรรค์เขาไม่มีเวลาที่จะมารับถ้าเขาไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉาน ไปอยู่ท้องมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เขาไปยึดในถิ่นที่จะไปเกิดนั้นเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะมามีแต่พวกเรื่อนรอยเปตวิสัยเปรตอสุรกายที่บุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากพวกนี้คอยรับส่วนบุญส่วนกุศลเมื่อยาติพี่น้องอุทิศส่วนกุศลให้เหมือนกับหาเงินใส่กระเป๋าให้อย่างนั้นน่ะฟินญาณเหล่านั้นก็ไปได้เลยจะไปที่ไหนไปเกิดที่ไหน ตามบุญกุศลที่ได้รับแล้ว น, นั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปหวังทีนี้การสร้างคุณงามความดีอย่าไปหวังว่าให้ญาติพี่น้องทําให้ตนเองขณะเรายังมีชีวิตอยู่สิ่งไหนที่มันถูกต้องสิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนที่เป็นกุศลพวกเราควรจะทําเอาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาให้ทานรักษาศีลภาวนาเคารพปิดามารดา ช่วยเหลือชุมชนสังคมสรุปแล้วคือให้เป็นคนดีถ้าคนคนดีแล้วเทวดาก็ยอมรับยอมรับคนดีแต่ถ้าว่าคนที่ทําไม่ดีแล้วเทวดารับไม่ได้เหมืนกัรับคนคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเทวดารับไม่ได้พวกนั้นต้องปล่อยลงไปทางต่ำเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะนักโทษอยู่ในเรือนจําสิเขาทาอะไรสรุปแล้วก็คือเขาคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนะ่ะเขาจึงจับเข้าไปขังไว้เน เรือนจําถ้าคนคิดดีพูดดีทําดีคนคนนั้นที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุกตลอดไปเพราะฉะนั้นหลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบคดีโลกคดีธรรมก็ลักษณะอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราสัตยายมทุกคนนะ่ะสรุปแล้วในหลักของพุทธศาสน า, านี่ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนพอหลักพิสูจน์ของพระพุทธศาสนาก็ ค, คือนั่งสมาธิ ที่พระพุทธเจ้าไปนั่งอยุ่โคนต้นโพนั่นแหละวันเดือนหกเพ็ น, น่ที่ท่านได้ตัดสรุธรรมวันนั้นคืนวันนั้น่ะพระพุทธเจ้าจังว่าปุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้ถ้าหาว่าตายแล้วสูญจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงอันนี้พระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้เพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเมื่อวานมาจากไหนเราอยู่นี้เดี๋ยวเนี้ยเรามาจากไหนเราก็นึกย้อนหลังเลยเมื่อวานมีไหมอาทิตย์ก่อนมีไหม เดือนก่อนมีไหมปีก่อนมีไหมจนเราอย่างหลวงพ่ออีนเนี่ยอายุหกสิบห้าปีปีนี้น่ะมันก็ยาวเหยียดมตั้งแต่หลวงพ่อเกิดปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดนู่นน่ะนึกดูสิมันมีอดีตไหมมีแล้วข้ามไปอีกท่านนข้ามภพข้ามชาติไปอีกมันมีท่นยาวเหยีย ด, ดยท่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านระลึกชาติหนหลังอะไรเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน 100, น, 100, น, นึกไปเท่าไหร่โอ้โห เ ก, เกิดมาพบนั้นชาตินั้นตกทุกข์ใดอยากเกิดมาชาตินั้นเป็นเศรษฐีเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เสวยพระชาติแต่อย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานพระพุทธเจ้านี่เสวยพระชาติมากมายแต่พระพุทธองค์ในพระไตรปิฎกท่านว่าท่านบอกในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกถึงจะตกต่ำขนาดไหน เป็นกบเป็นเขียดทั้งก็เคยเป็นแต่สัตว์ที่ไม่มีกระดูกพระพุทธเจ้าไม่ตรงต่ําถึงขนาดนั้นอย่างพวกปิงพวกไส้เดือนพวกตัวนอนอเนี้ยอันนี้คือพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดเป็นสัตว์ต่ําถึงขนาดนั้นอย่างน้อยต้องมีกระดูกนี่แหละอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือตายแล้วไม่สูญพวกเราอยาตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้บาปบุญคุณโทษมีจริงทั้งเมืองมนุษย์ทั้งเมืองสวรรค์นันแะ เมืองมนุษย์ก็จะถ้าว่าใครก็ตามทํากลัมชั่วเขาเนี่นะเขาเอาไปขังไว้ในเตือนจําเพราะมันชั่วเอามาอยู่กับหมูไม่ได้มันมาลังแกเบียดเบียนหมูมันมาเอารัดเอาเปียบหมูเอาไปขังไว้นั้นก่อนจนกว่ามันจะยอมนิสัยมันดีขึ้นมาแล้วจึงปล่อยออกมาถ้ามันไม่ดีก็กลับเอาไปขังอีกเพล๋อมันมันหนักเกินไปคงจะแก่นิสัยไม่ได้ตัดสินเข้าไปเลยตลอดชีวิตให้มันอยู่ในนั้นไม่ให้มันออกมาอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็เหมือนกันน่ะกิญญาณของพวกเราท่านทั้งหลายกับลักษณะอย่างนั้นแหละพอให้พวกเราลูกหลานทุกคนเนอะให้สั่งสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทบาปุนคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงในเมืองผีเมืองหน้าในเมืองมนุษย์ก็คือเนน่ะเดือนจำเนี่ยแหละนรกเมืองมนุษย์นรกเมืองผีก็ถ้าตายซะก่อนเราจึงไปเชื่อขนาดร้านเมื่อก่มันจะสายเกินไปเสีแล้วเพราะนั้นพวกเราให้เตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้ ขนาดเมืองมนุษย์เราก็ยังเห็นเห็นกันอยู่เมืองผีก็ต้องมีแน่นอนล่ะประโลกภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นไอ้พวกเราให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าคิดว่าตัวเองจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ใช่นะไม่รู้ว่าวันไหนล่ะพอเราเกิดมาก็เข า, เขาเขียนวีซ่าให้แก่เราไว้แล้วเขาเขียนวีซ่าไว้แล้วเออนางนี่นายนี้ไปเกิดแล้วนะวิญญาณตรงนี้ไปเกิดแล้วนะจุมมัดูตเขาเขียนเขียนวีซ่าไว้แล้ว ขอวันดีคืนดีวันไหนก็ไม่รู้ล่ะเขาก็ส่งวีซา่าคุณเดินทางกลับประเทศกับไปต่างประเทศได้แล้วนะคุณที่จะไปประเทศนั้นประเทศนี้นะเขาก็ส่งมาให้พวกเราก็ได้รับวีซ่าแล้วกันนะนะั่นแหละเดินทางขึ้นไปสู่เมนแล้วก็หายเงียบไปเลยไปต่างประเทศเหมือนกันก่อนที่จะไปต่างประเทศนะนะั่นแหละหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไนดะ้แต่นะี้นก่อนที่จะไปสู่ต่างประเทศนั้นเรากระเป๋าตุงหรื อ, อย่างเหมือนกัน เงินในกระเป๋าของเรามีหรือยังถ้าเงินของเราไม่มีเกิดมาแล้วมีแต่เที่ยวมิแตะเล่นสนุกสนานไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเรื่องคุณงามความดีเสียเลยกระเป๋าแฟบถึงวันนั้นแหละเมื่อเขาเรียกให้กับต่างประเทศนั่นน่าจ้อยงวยเหงาเลยจะเลไม่รู้จะหาเงินที่ไหนหมาใช้เพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองไม่ได้ขนขวายไม่ได้ใส่ใจในการสร้างผลสร้างกุศลเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยจุดนี้แหละหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าเน้นหนักจุดนี้ เกิดมาพบไรชาติใดเกิดสูงต่ำอะไรก็ตามยศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนก็ตามเกิดมาจากชาวไรชาวนาะอันไหนก็ตามอันนั้นไม่สําคัญเพระได้เกิดมาแล้วแต่จุดที่สําคัญคือให้สั่งสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจุดนี้แหละสําคัญในหลักของพุทธศาสนารูปร่างกลางตัวเสร็จสวยงดงามหรฤกษี้ร้คิเลอันนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะเ ป, เป็นมาแล้วแต่ทําใจให้สะอาด ทำใจให้บริสุทธิ์ทําใจให้เป็นบุญเป็นกุศลตัวนั้นสําคัญกว่าท่านเน้นเรื่องใจในหลักของพุทธศาสนาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าที่หลวงพ่อได้กล่าววันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดมากมายหลากหลายให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะะจากนั้นไปให้พวกเราถูกๆูกทันนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดไตรตรองดู หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะนัะ่นแบลงมือประพฤติธปฏิบัติบุญกุศลจะเป็นของพวกเราท่านทั้งหลายนะไม่มีของไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดหลวงพ่อมีแต่แนะนำเลยอันนี้ผิดนี้อันนั้นถูกนะอันนั้นควรนะอันนี้ไม่ควรนะหลวงพ่อมีแต่ชีห้หนทางให้เท่านั้นเองแต่ผู้ที่จะทําหรือไม่ทำํำถ้าเราไม่เชื่อเอาก็ไม่เป็นไรถ้าเราเชื่อแล้วก็ฟังให้ก่อนแล้วก็จากนั้นก็เราก็ลงมือประพฤติธปฏิบัติแต่หลวงพ่อว่า เร า, าจะพิสูจน์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้นั่งสมาธิจุดนี้แหละคือกุญแจดอกแรกที่พวกเราจะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เนะี่ยดอกแรกนี่นคือทำจิตให้ทำใจให้สงบทำใจให้เป็นหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าไปนั่งภาวนาที่โคลนต้นโพลขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้า ไม่ให้สติกระสับกระสายไปที่อื่นตารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกจิตใจของพระองค์ก็สู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณรัศน์และลึกชาติหัวหลังได้ฮนี่แหละให้พวกเราทําดูนะถ้าพวกเราทำแหล่งงานได้แล้วธรรมะเป็นปัจจตังธรรมะเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนถ้าพูดให้ใครฟังคนอื่นเขาก็จะไม่เชื่อ อ, อีกอย่างเก่าอีก เพราะนั้นรู้ได้เฉพาะตัวเออใช่จริงที่พระพุทธเจ้าพิสูจน์มาแล้วเป็นของจริงเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอะละพอนะตนี้นะอุทิศสวนกุศลหน่าญาติพี่น้องลูกหลานที่มาทำบุญอุทิศสวนกุศลในวันนี้